ข้าพเจ้าปราบไปบุญพี่ปุณโณจาก ว, วัดป่าดอนหายโศกอำเภอตังงานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเพื่อนำธรรมะที่ผู้ชาบประกาศไว้มากุยให้ฟังในโดยการเป็การทําหน้าที่ของสมณนะที่ได้ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจ้งก็นําพุท่อพอดฟังทำคําพุทธะมายหท่านผู้งฟังพื่อที่ให้ทราบว่า ดั้งเดิมในตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อการก่อนนั้นเป็นอย่างไรเรก็ทําหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ให้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นมาหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นฆราวาส ด, ด้วยกันเนี่ยก็มีอยู่หอย่างในสออย่างนี้ก็ทําอยู่เป็นประจาทุกวันเพราะว่า น, นี้เราได้พูดถึงเรื่องของกามท่านผู้ฟังในพุทธเจ้าแบ่งตัณหาเนี่ยออกเป็น3ส่วน หในส่วนนั้นคือการมตัญหาตัญหานี่คือความอยากความอยากในกามความที่มีตัญหาในกามการมตัญหาอันนี้คือ1ในตัญหาตัญหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์เป็นปัญหาตัญหาเนี่ยมันไปติดอะไรอันนั้นมันเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตของเราทันทีตัญหาเป็นเหตุของความทุกข์พระเจ้าพูดถึงการมตัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายตัญหาทั้งหมดนี่แหละ กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเนี่ยเป็นอันตรายทั้งสิน้นเอาเรามาดูแต่ละอย่างนะยังกามาตัญหาเนี่ยเนอันตรายเพราะว่ามันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากนะมีประโยชน์น้อยมีโทษมากคุณลักษณะของมันเนี่ยเป็นเครื่องผูกเวลาเราจมอยู่ด้วยกามเ่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกามซะ ก, ก่อนท่านผู้ฟังนะกามคืออะไรอะไรคือกามอย่างสิ้นข้อ3ที่พุทเจ้าบอกว่า ไม่ประพฤติผิดในกรมในรูปแบบต่างๆที่มันไม่ควรประพฤติผิดเนี่ยกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องของอาชเพศชายเพศหญิงนะีหรือว่าเรื่องของทางทางในทางาชู้สาวเท่านั้นแต่กรรมเนี่ยคืออะไรนะคือความาสุขโสมนัสเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2อย่างก่อนคือกามคุณกับกรรมนะวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมนะเอาวัตกรรมคุณก่อนกามคุณเนี่ย คือผัสสะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนะเป็นของวิจิพิสดานเช่นบ้านใหญ่ๆรถหรูๆโทรศัพท์แพงๆหรือของที่มันวิลิสมาหราอลังการเลิดหรูวิเศษวิโสทั้งหลายแหละนะที่เป็นไปทำตาหูจมูกลิ้นกายพูดง่าไงคือของที่สัมผัสจับต้องได้นะอาหารแบบดีๆหัวฉลามมอเป็นมืออย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้คือกามมุคทั้ง5นะ้กากมคุณทั้ง5หรือวัตถุกรม ก็เป็นลักษณะเดียวกั น, นคือเป็นวัตถุในที่ทาให้เกิดการแล้วการคืออะไรการกับกา ม, กามาคุณไม่เหมือนกันวัตถุการกินเหล็กการไม่เหมือนกั น, นการมาคุณคืออย่างที่ว่าไปแล้วแล้วส่วนกามก็ไก่สลามห ม, ม้อมาท่านังนะเป็นความกําหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีในกามากุลนะ่ะสมมติเรากินหูฉลามหม้อละหมื่นบาทเงี้ย โอ้โหอร่อยมากเลยยินดีมากเลยต้องกลับมากินอีกแม้มันเริ่มหลงเพลิดเพลินยินดีโมวเมาน่านั่นน่ะคุณเสพกามละคุณเสพกามละหรือว่าเราได้โทรศัพท์ดีๆมาใหม่ได้รับตำแหน่งใหม่ได้รับรถใหม่บ้านใหม่ซื้ออะไรได้อย่างเงี้ยมีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นนะความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นนั่นแหละคือกามจำานฟังคือกามนะมันสับกันตรงนี้ ถ้าเรามีกามคุณคือบางคนเนี่ยมีบุญบุญในหมายถึงว่าบุญเป็นชื่ อ, อความสุขใช่ไหมคุณสร้างบุญสร้างกุศลมาดีคุณก็มีสิ่งต่างๆรอบตัวที่ดีนะจะมีผู้ที่เป็นมีเพียบพร้อมเออบอิ่มด้วยกรรมคุณตั้งหนั่นที่ให้เขาบ่มเรออยู่ในอะย่งางพระพุทาของเราเอย่างเงี้ยเป็นผู้สร้างบุญมาดีนะเออบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรมคุณต่างหดีมากนะมีทุกอย่างเรียบร้อมนะแต่ว่าไม่มีความกำหนัดรุ่มหลง มวมอลในสิ่งนั้นนั่นก็คือไม่มีกามนั่นเองในมีกามะกุลอยู่นะเออบิมเรียพร้อมคือมีวัตถุกามอยู่แต่ไม่มีกิเลสกามกิเลสกามก็คือกามกุลเออคือกามนั่นเองในกิเลสกามเท่ากับกามในกามกุลหเท่ากับวัตถุกามนะคือของที่เป็นภายนอกนะทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่จับต้องสัมผัสลิ้มรสมองดูได้พวกนี้เป็นของที่อ่าก่อให้เกิดกามได้ใช่แต่ไม่ใช่กามนะกามเนี่ยอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเรา นะเวลาที่เรามีการเกิดขึ้นนะท่านฟังใจของเราเนี่ยจะถูกเคี้ยวกินอยู่นะถูกกัดกร่อนอยู่ถูกเผารนอยู่ถูกครอบงําอยู่นะคือคือเราคิดว่าเรามีเงินอย่างเงี้ยเรามีเงินสมมติเรามีเงินใช่ปะเรามีเงินเราจะใช้จ่ายเงินก็ได้อันนี้ถูกต้องนะเพราะว่าคุณเป็นเงินของคุณที่ได้มาถูกต้องนี่ใช่ไหมคุณมีบ้านมีรถมีความสุขมีอํานาจมีตําแหน่งอยู่ดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีการเกิดขึ้นในใจนะ เมื่อไรคุณมีการเกิดขึ้นในใจคุณถูกกามเนี่ยเคี้ยวกินอยู่คือแทนที่คุณจะไปสั่งกามบุคคลได้นะไปสั่งวัตถุ ก, กรมให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันมีอำนาจฉันก็สั่งได้ใช่ไหมเออสั่งให้ไปทำตามสิ่งที่ที่มันควรจะเป็นนะมีโทรศัพท์มีรถมีบ้านก็ใช้ได้นะี่คือการาคุคคลที่ถูกต้องอยู่นะแต่ถ้าเรามีกามนะคือความลุ่มหลงมัวเมาผั ว, พ, วพันยึดมั่นในสิ่งที่เป็นการบุคคลแล้วเราจะถูกกามาคุณนั้นเคี้ยวกินทันที นะที่เคี้ยวกินหัวใจเราอยู่ทุกวันนี้คือกามกามหรือกิเลสกามมันเคี้ยวกินครอบงําปกคลุมหุ้มหอ่อสัตว์โลกเอาไว้เนะืเราเนี่ยถูกขังอยู่ตามฝังถูกขังอยู่ด้ตัณหากะวิชยยัยแล้วนะแล้วเราถูกเคี้ยวกินทำขับไปขับมาดันไปดันมาทํานั่นทนํานี่ก็เพราะกามเนะืเป็นไปเพราะกามนั่นเดียว เนี่ยเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อบเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเที่ยวมันจึงไปทําชั่วเนี่ยเรามีเงินมีบ้านมีรถมีดีๆอยู่พอเริ่มมีมากขึ้นนีคุณต้องการจะก้าวขึ้นตําแหน่งอย่างเงี้ยมันอยากได้นี่น่ยคือบางคนไม่มีไม่มีการบังคุณหนะไม่มีวัตถุ ก, การมแต่ก็ยังถูกการมเคี้ยวกินอยู่อีกเนี่ยเช่นว่าคุณไม่มีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งไม่มีเงินแต่มันอยากได้ ถูกกรมคุณเคี้ยวกินละตัวเองไม่มีด้วยซ้านะยังถูกเง้าเคี้ยวกินอยู่ถูกกรรมเคี้ยวกินอยู่นะทำยังไงทุกอย่างเพื่อให้ได้มานะทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างคนที่มีวัตถุกรรมนะแต่ไม่มีกิเลสกามนะคือ อ, อ, อิ่มเพียรพร้อมด้วยกรรมคุณทั้ง5แต่ไม่ลุ่มหลงกําหนัดในสิ่งนั้นนะเจะ้าก็คือว่าเขาก็จ ะ, ะสบายใจนะใจของเขาจะไม่รุ่มร้อนร้อ น, ร, อนรนไม่ถูกกรรมเผากินเคี้ยวกิน ครอบงำอยู่แล้ว ก, ก็ใช้สิ่งนั้นไปตามธรรมชาติให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างบริจาคบ้างจะมาแบ่งปันคนอื่นบ้างก็ตามเรื่องตามราวทีนี้คนที่มีวัตถุกรรมแล้วมีกิเลสกามด้วยนล้ว ก, ก็จะถูกครอบงำอยู่ตรำนีบ้างไม่ให้บ้างนใช้อํานาจในทางที่ผิดบ้างนคนที่ลุ่มหลงเพลิดเพลิ น, ลนมัวเมากําหนัดยึดถือครอบถูกครอบงำด้วยกรรมเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คื อ, คอกายวาจาใจเป็นทุจริตตนหงไว้โกหกบ้าง บางคนนี่ตำแหน่งมากขึ้นเงินมากขึ้นโกหกซึ่ซึ่งหน้านาเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนําไปซื้อตําแหน่งทําให้ถูกเพราะว่าถูกกรรมเคี้ยวกินอยู่นั่นเองคือมีวัตถุกรรมก็ถูกกรรมครอบงําได้ไม่มีวัตถุกรรมก็ยังถูกกรรมครอบงำได้เอา้าอย่างก็คนไม่มีตําแหน่งไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีรถแต่มันอยากมีมันมีความกําหนัดลุ่มหลงโวเมาพัวพัน ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองก็ไม่มีตัวเองไม่มียังไปยึดถือกี่ ด, ดูมันมันแทรกซึมเข้ามาในจิตเราได้ขนาดนี้เฝั ง, งมันอันตรายมากเราถูกครอบงามทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกเนี่ยถูกครอบงำอยู่ด้วยกามนี่นั่นเองไอ้เจ้ากิเลสกรมนี่แหละไอ้เจ้ากรารมตัิหานี่แหละครอบงำยึดถือกุมหัวใจสัตว์โลกเอาไว้มาเนี่ยเฝั ง, งมันจะใช้กามนี่แหละเป็นกับดักใช้กามเป็นกับดัก ปริศนาแบบนี้เหมือนกับกวางเนือทายเขาเอาอาหารไปล่อลวางกับดักเอาไว้กวางก็มาติดบ่วงติดบ่วงนี่บ่วงของดักกวางเนี่ยมันก็จะกดกวางลงนะให้ขามันแบะลงกับพื้นมันก็จะกระโดดไม่ได้ถ้าใครไม่เคยเห็นบ่วงจับกวางเดยก็ลองดูไอ้ดักข่ายหรือว่ากรงดักหนูก็ได้เขาเอาอาหารล่อไปข้างในหนูมันเข้าไปโพ๊ะแจ็คพอร์ตเลยติดอยู่ข้างใน คนพรานที่เขาล่าหนูหรือล่ากวางเนี่ยเขาไปจับปุ๊บก็จะถูกทําตามใจได้สบายหรือว่าไอ้ถาดกาวดักหนูก็ได้ท่านผู้ฟังเคยนึกออกแล้วเขาเอาอาหารวางไว้ตรงกลางแลเป็นถาดประมาณสัก8นิ้ว9้านิ้วนี่แหละหนูมันวิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็ติดกาวทันทีแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วตอนที่มันติดกาวเนี่ยมันก็จะเอาขาหนึงติดใช่ไหมขาหนึ่งมันติดแล้วมันจะดึงออกมันดึงไม่ออกมันติดกาวมันก็เอาขาอีกขาหนึ่ง้าไปช่วย เอาสองขาก็ติดเหมือนกันเอาทำไงดีเอาขาอีก3ามขาขาที่สามขาหลังไปช่วยด้วยเพื่อจะดึงออกมามันก็ไม่ออกมันก็ติดอีกอยู่ดีเอาขาที่สี่เข้าไปช่วยด้วยเพื่อที่จะดึงออกมาก็ติดหมดเลยสี่ขาทำไงไม่ออกแล้วทำไงเอาปากก็ไปกัดจะช่วยดึงออกมาปากก็ติดด้วยติดหมดเลยนี่คือธรรมชาติของตันหาทาฟังธรรมชาติของกามมันรัดรึงมันผูกมัดมันเหนียวมันยืด มันแผ่ซ่านพระรูปเจ้าบอกว่าเครื่องผูกอันใดก็ตามนะนะเป็นเชือกเป็นเหล็กเอาเหล็กมาอ็อกนะเอาไม้มาตอกตีนะเอาเชือกจากหญ้าคาเนี่ยมาทำเป็นเชือกป่านอย่างดีมัดเอาไว้ให้แน่นพวกเนี่ยไม่ใช่เครื่องผูกที่แน่นหนาเลยนะการเวลามันทําให้มันเสื่อมได้เดีย๋ยวมันก็สลายไปได้โดนแดดโดนลม10ปีร้อยปี200ปี300อปีมันก็พังได้แต่กามเนี่ยท่านฟังกามเนี่ยนะ มันปลูกไว้ข้ามโพข้ามชาติักนะข้ามดินแดนข้ามประเทศนะคนอยู่ในคุกคนหนึ่งรักอีกคนหนึ่งอยู่นอกคุกมันยังมันยังยืดตามไปหากันไดนะ้ผัวตายไปแล้วเมียยังอยู่เมียก็ยังคิดถึงผัวยืดตามไปพบหน้าชาติหน้าได้มันไปงี้นะกามการ ม, มาตนานเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าผูกไว้ลุมหลวมแต่แก้ได้ยาก ผูกไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยางไงเขาว่าไงคือถ้ามันผูกรัดคอเราแน่นมากเกินไปน่ะมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันผูกไว้หลวมๆนะแต่ปมเงื่อนที่มันผูกไว้เนี่ยมันแน่นมากไม่ใช่หลดแกะได้แก้ง่ายๆนะใครที่ถูกกามรุมเผาเอาอยู่มีความกระหายในกามเร่าร้อนเพราะกามมหมกในกามเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ๆ, <S <S ๆ, ๆพุทธเจ้าเบียบเหมือนกับเวลาที่เราเป็นแผลเนี่ยนะ อย่างใครถ้าเคยใครเป็นแผลเนี่ยแผลที่ตกสะเก็ดหรือว่าแผลมีดบาดก็ตามเนี่ยพอมันเริ่มจะหายมันจะคันมันจะคันหรือว่าโดนยุงกัดธรรมดาก็ได้ถ้าใครเคยโดนยุงกัดธรรมดามันจะคันนะพอคันแล้วเราก็จะเกานะพอเรากาวแล้วเนี่ยมันจะเกายิ้งเยิ้เนี่ยนะแม้มันจะมีความสุขจากความสบายนิดนึงตรงเกาตรงนั้นนะแต่พอเรากาไปเกาไปเนี่ยแผลนี่มันจะเปิดออกแผลที่ยุงกัดเนี่ยจะเปิดออกพอเปิดออกเท่านั้นแต่ทํานหวัง เนื้อแดงแดมันก็จะเริ่มออกมาใช่ไหมมันผิวมันเปิดออกมันก็จะเห็นหนังเห็นเนื้อใช่ไหมมันก็จะมีน้ําเหลืองไหลออกมาพอน้ําเหลืองไหลออกมาบุ๊ปแมลงวันก็จะมาตอมแมลงวันมาตอมมันก็ยิ่งจะเอาสิ่งสกปรกมาใส่มีสิ่งสกปรกเข้ามาใส่มันเจอน้ําเหลืองมันก็ยิ่งเจริญเติบโตมากสิ่งสกปรกมากขึ้นน้ําเหลืองออกมามันก็ยิ่งคันยิ่งคันแล้วก็เกาเกาเกาเกกเกมันสบายมันนิดนึงพอสบายมันนิดนึงยิ่งเกาแผลยิ่งเปิด แผลยิ่งเปิดน้ำเหลืองยิงย่งมากยิ่งมากแมลงวันยิ่งมามแมลงวันยิ่งมาเอาพวกเศษสกรปรกเชื้อโรคต่างๆมาอีกมาเจอน้ำเหลืองมันก็กินกันมันขยายแพร่พันมากขึ้นมันก็ยิ่งขันยิ่งงันก็ทำไงก็ยิ่งเกากเกาแล้วไงมันก็สบายนิดนึงแต่แผลก็ไหมเปิด ม, มากขึ้นน้ำเหลืองก็แล้วมาเยิ้มอีกมแมลงวันก็ยิ่งมามากขึ้นพาเชื้อโรคต่างมากินน้ำเหลืองโอ้โหท่านฟังเลยมันเป็นลูปอย่างนี้มันไม่จบง่าย แล้วความสุขที่เกิดขึ้นกออะไรมันสบายนิดนึงตอนที่เก่านั่นเองแต่โทษคืออะไรโอ้โหท่า น, นฟังแผเชื้อโรคเกิดมาบางคนเคยเห็นแม่แผลติดเชื้อแผลเวอบวมหนองไหลตูกนิดเดียวก็แสบนะแล้วก็หนองก็ไหลออกมากเกินประมาณมีแต่อันตรายโทษมันมากจริงๆอย่างคนขี่เรือนถ้าเราเคยเห็นสมัยก่อนตามสะพานลอยนะแผลเวอว่าบางทีนิ้วกุดบางทีขาด้วนเพราะความที่เป็นแผลนั่นเอง ลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าพอเกาแล้วมันคันนะมันคันแล้วมันเกานะเกาแล้วมันสบายอยู่นิดนึงนั่นแหละแค่นั้นเองนั่นคือคือประโยชน์ของกามท่านผู้ฟังกามเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีโทษมากเราถูกกามคี้ยวกินอยู่ถูกกามเผาหล่นอยู่ถูกกามครอบงําอยู่ทําอะไรก็เพราะกามเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กามเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวอันตรายมากท่านผู้ฟังถามว่าเราตามเงินไหม แตถ้าคนไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมะเนะี่ยคุณทํางานงกงกตื่นเช้ากลับมาบ้านดึกเดินก็ทํางานทํางานเพื่ออะไรหาเงินหาเงินไปทำไม ก, ก็อยากได้เงินนะแต่เพราะว่าถูกกรารมคิวกินอยู่ถูกกรารมเผาร้นอยู่ถูกกรรมครอบงําอยู่ไปกู้เงินธนาคารเป็นหนี้เป็นสินเพราะาอยากร่ํารวยบางคนถึงขน là, าดทำผิดแต่าอาที่ทําดีมันก็มี นะถ้าคุณขยันขันแข็งทํางานนะเพราะว่าคุณหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังมีกิเลสอยู่ก็ยังถูกการมครอบงำอยู่แล้วจะทํำยังไงล่ะเราเป็นผู้ที่บริโภคกรรมอยู่เราจะบริโภคการมให้เป็นผู้ที่บริโภคการมที่ดีก็มีนะก็เรียกว่ากามกรมรมโพกีกนัระุญชาวเชลวากามมโพกีคือผู้ที่ยังบริโภคการมอยู่ผู้ที่ยังบริโภคกรรมอยู่ก็รักษาสี่ห้าได้นะคุณบริโภคการมอย่างถูกต้องได้ะมีผัวเดียวเมียเดียว ไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะไม่ดื่มไม่พูดโกหกไม่ดื่มชุรามีไรไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะพูดจาไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะคุณจะบริโภคกามก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยยังได้อยู่ในขอบเขตอยู่ในเส้นทางแต่ถ้าเราออกนอกขอบเขตนอกเส้นทางเนี้ตรงนี้จะเป็นตัววัดว่าเราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายึดถือถูกกามนั้นครอบงำอยู่หรือไม่ถ้าเราเป็นนะเราจะเริ่มไปออกนอกทางเริ่มผิดศีล เริ่มมีการโกโหกเริ่มมีการด่าว่าเริ่มมีการคิดมุ่งร้ายเริ่มมีการฆ่าเริ่มมีการดื่มสุรานี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเรากําลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นในกามอย่าให้เป็นอย่างนั้นนงฝั่งท่านฟังเป็นคนที่ฟังธรรมะแล้วอ่ะตื่นเช้ามาขนาดนี้ฟังธรรมะแล้วอย่าให้เราตกไปอยู่ในอำนาจของกามไม่ใช่ว่าให้กี่เกียยนะให้ขยันไม่ใช่ว่าให้ไม่สนใจสิ่งภายนอกนะต้องเปิดตาต้องมีสติต้องระวังใจของเราแล้วทํายังไง ระวังกามไม่ให้มันเกิดในใจกามนี่ไม่ใช่ของภายนอกนั่นฟังมันอยู่ในใจของเรามันรุมกินเผาใจเรามาตั้งนาแล้วเรารู้หรือเปล่าเราพยายามจะสละละออกให้ได้กามในหัวใจของเราเนี่ยมันเผาหลนทำให้เราขยับทำอันนั่นอันนี้เพราะเป็นไปตามน้าของกามกามนี่พระเจ้าบอกนะคนที่เขาตื่นเช้าขึ้นไปทางาน นะทํากติกรรมทําการงานทําราชการเป็นข้าราชการทหารก็ตามบริเรือนก็ตามนี่ต้องเผชิญความหนาวความร้อนไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาก็เพราะการนั่นแหละเป็นกองทุกขที่เห็นได้เองนะทำเสร็จแล้วเงินก็ไม่ได้การลงทุนเสียหายไปแล้วก็มีความเศร้าโศกระทมใจทุบอกร่ําไข้ตีอกชกตัวถึงความเป็นผู้งนงงคลั่งเพลิงว่าความรกรยันของเรานี่เป็นหมันไปแล้วนั่นก็พกามอีกนั่นะการบังคับให้ไปทํา หรือว่าพอภาคเพียนขวนขวายอยู่หนะังเงินที่ได้มาได้มาแล้วหนาะชื่อเสียงกินยศได้มาแล้วกลับมาสูญเสียไปถูกคนใส่ร้ายบ้างอันนั้นบ้างเราก็มีความเสียใจนั่นก็เพราะการอีกแล้วหนาะหรือบางทีเคยเห็นไหมละ่ะเขายกพวกตีกันหนะยกพวกตีกันโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้หรือว่าสีนั้นสีนี้โถ่อย่าไปพูดเลยก็เพราะการนั่นแหละยศชื่อเสียงตําแหน่งอํานาจ ความคิดแบบนั้นนั่นะถูกการมครอบงําอยู่ถูกการมเผาลนอยู่ถูกการมครอบงําอยู่ตัวเองไม่รู้สึกตัวทําสิ่งที่ผิดนะด่าเขออกทีวีทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลก็เพราะกรรมนั่นแหละครอบงําอยู่นะเห็นสงครามไหมเขายกสงครามตีกันแย่งชิงดินแดนกันนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่มันจะมาต่ออนาคตก็เพราะการมนั่นแหละมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องมังกรให้กระทำเป็นไปเพราะการมนั่นเดียว มันยังไม่ใช่แค่โทษเท่านี้นะเพื่อฝังนะการเปบียดเบียนเป็นอนเนกเป็นอันมากก็เพราะการมนี่แหละมันครอบงําจิตใจเราอยู่เราทํำยังไงการมเนี่ยเราต้องเห็นโทษของมันนพื่อนฝังเห็นโทษของมันนะอย่างเช่นเวลาที่พระเจ้าเปรียบเทียมให้ฟังนําว่าการรมเนี่ยเปรียบเหมือนด้วยกับหมาแท้กระดูกนะเพื่ังหมาแทะกระดูกก็ เ, เห็นไหมสุนัขนี่พระเจ้าเปรียบอย่างนี้ว่ามีหมาตัวหนึ่ง หิวมากเลยหิวท้องโซ่หิวจนท้องกิว่วนะเขาหิวจนท้องกิว่วแล้วเขาก็ไปอยู่หน้าเคียงหมูนะถ้าเราเคยไปเคียงหมูตามตลาดสดนี่แต่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่มีแล้วเคียงหมูแบบนั้นเคียงหมูตามตลาดสดนี่คนขายหมูเนี่ยหรือขายเนื้อก็ตามนี่ยเขาจะมีมีดอิโต้เนี่ยโอ้โหใหญ่มากเขาก็จะลับอยู่เรื่อยๆปับปั๊ใช้มีดอย่างคล่องแคล่วปั๊บปับปัางทีคัวงให้ดูด้วยเสร็จแล้วก็หั่นหมูออกมา ความเข้าคล่องเชี่ยวชาญในการใช้มีดปาดหมูเองเขาเนี่ยนะมันปาดชั่วเนี่ยหนังออกมาส่วนหนึ่งเนื้ อ, อ, อมาส่วนหนึ่งมันออกมาส่วนหนึ่งมันคล่องแทลวขนาดนั้นนะพรุทเจ้าพูดถึงเขียงหมูขนาดนี้นะคนขายหมูขายเนื้อเนี่ยนะหรือว่าลูกมือของเขาที่ชํานาญในการใช้มีดก็จะปาดเนื้อออกจากกระดูกออกให้หมดนะไม่มีส่วนที่เป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่เลยเขาเรียกว่าเส้นเอ็นก็ไม่มี เ yeah, ยื่ออ่อนก็ไม่มีมีแต่เลือดเปื้อนอยู่หน่อยหนึ่งนั้นแหละกระดูกหมูเนี่ยนะที่อยู่ที่เคียงหมูเนี่ยเสร็แล้วหมาอยู่หน้าเคียงหมูทํ נה, าไง ก, iros, ก็ น, น้ําลายหยดติ๋งติ๋งติ๋อยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นกระดูกชิ้นนั้นเนี่ยไอ้เจ้าลูกมือของเขาก็โยนกระดูกชิ้นนั้นให้น้ะไม่มีเอ็นติดอยู่ไม่มีเยื่อติดอยู่มีแต่เลือดเปื้อนอยู่หน่อยหนึ่งหมานี่ก็ลุมกินกินกินมันจะหายหิวได้ไหมท่านฟังว่ามันจะหายหิวได้ไหมไม่ได้เลยนะ สุดท้ายกินน้ำลายตัวเองลิ้นเลียนเนี่ยก็เลียนเลือดเพื่อนอยู่นิดนึงเท่านั้นเองมันจะไปคลายหิวได้ไงก็ดูมันก็กินไม่ได้โอยนี่แหละคือกามนะทุกฝั่งถ้าเราคิดว่าเราจะอิ่มด้วยกามไม่มีทางไม่มีทางอิ่มได้ด้วยกามคุณหามาไม่ใช่เลยอิ่มไม่ได้ด้วยกามฟังให้ดีนะกามคือสิ่งที่อยู่ข้างในใจเรานะความยึดมั่น ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เป็นการมคุณทั้งๆนั่นคือกรรมการมคุฎต่างๆไม่ใช่กามนะวัตถุกรรมไม่ใช่กรรมแต่กิเลสกามนี่นคือกรรมที่เรากำลังพูดถึงว่าอย่าให้มีในใจแตนะ่ถ้าาหาของมามากหาสิ่งต่างๆมามากก็ได้แตนะ่คุณร่ารวยได้ไม่มีปัญหาเลยในธรรมะวนนี้ คุณเป็นคนขยันขันแข็งมีการทํางานอย่างดีมีการจัดการงานอย่างดีและเป็นคนสร้างบุญกุศลอยู่เรื่อยวัตถุกรรมจะมีมากขึ้นได้แน่นอนแต่ในใจของเราเนี่ยอย่าให้มีกรรมอยู่อย่าให้มีความรูมหลงโมเมาพั ว, ว, พ, วพันในสิ่งนั้นเราจะถูกครอบงําอยู่เพราะเราถูกครอบงําแล้วจะเป็นยังไงเราจะเป็นผู้ที่มารเนี่ยกรรมถูกมารกรรมหัวใจของเราอยู่มันจะจับเราไปซ้ายเราก็ต้องไปซ้ายมันจะจับเราไปขวาเราก็ต้องไปขวาเราจะตกอยู่ในอานาจของมารนะท่านผู้ง ถ้าเราไม่สลัดการรมนี้ออกไปได้เหมือนหนูอ่ะติดไอ้กาวที่กาวดักหนูอ่ะโอ้โหมันติ้นไม่หลุดเลยหอมานมาถึงเมื่อไหร่มันจับเราทันทีมันจะสั่งเราไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ทำยังไงก็ได้เราจะทำาไงเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องหนีก่อนหนีในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราแบบทิ้งหมดเลยนะหรือว่าไม่เอาแล้วบ้านเรือนครอบครัวไม่ใช่สิ่งนี้หมายถึงกามที่อยู่ในใจของเรา แนะถ้ายังไม่เห็นตัวบพรุทธเจายังเปรียบเหมือนกับไอ้คนที่เขาของในความฝันนะเราฝันหวานมาเลยเนี่ยแม้ไปเที่ยวที่นั่นมีสมบัติอย่างนี้มีความสุขนี้สอบที่นั่นได้เลื่อนตําแหน่งนี้ขึ้นมามีเงินทองประสบความสําเร็จฝันเท่านั้นเองนะตื่นมาหลายพวะความฝันหายหมดทันทีความจริงปรากฏขึ้นมาไหรนะ่เราเป็นทุกข์ทันทีโอ้ยสีเราฝันมันหายไปแล้วมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยตอนที่เราจะตายมันเอาไปไม่ได้นะไอ้กามนี่นะคนอื่นมาแยงไปมันก็มีส่วนอยู่เนี่ยพระเจ้ายัางเคยเปรียบกับนกอีแร้งเนี่ยขาบก้อนเนื้อก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาเนี่ยฟูงนกอีแร้งอื่นๆตัวอื่นก็จะมาโฉบนะจิกตามตัวตามขาตามปีกบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เราปล่อยก้อนเนื้อเนี้ยออกมาเห็นไหมล่ะหมาเอากระดูไปแท้เนี่ยมันก็มีแทะกระดูจริงๆนะไม่มีเนื้อเนี่ยตัวเองแทะหมาตัวอื่นก็มาลุมนี่ยเขาไม่ได้เขาก็กัดเรา นะเราก็เลือดสาสตร์เลือดโชคอิ่มก็ไม่อิ่มนะมีแต่กระดูกเฉยเนี่แหละคือกรรมไม่มีความอิ่มด้วยกามที่คุฟังไม่มีไม่มีจริงๆนะกรรมนี่พระเจ้ายังเปรียบเหมือนกับของที่ยืมเข้ามาด้วยเห็ในว่าใครเคยเป็นหนี้ยืมเข้ามาหนะนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยคุณไปรูดตามห้างนั้นห้างนี้นะซื้อรองเท้าสวยๆเสื้อผ้าแพงๆหนังกระเป๋างามๆแต่ว่าเป็นเงินหนี้ทั้งนั้นเลยรูดบัตรเครดิตเอา จะป่ะพอถึงเวลาเขาส่งบินมาทวงโอ้เป็นทุกไม่รู้จะหาหนี่ที่ไหนมาจ่ายจ่ายแต่งเงินขั้นต่าสุดท้ายเขาไม่ได้เงินจากเราไปนะเขาต้องมายึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดนะสิ่งที่เรามาเห็นสวยๆซื้อมาจบกันหาอะไรไม่ได้ของที่ยืมเข้ามานะพระเจ้ายึดยตัวอย่างเปรียบเทียบกับคนที่ยืมเครื่องเพชรเครื่องประดับเข้ามาใส่ไปใส่แล้วก็โชว์ที่นั่นโชว์ที่นี่นะโชว์พอเอาช็อคของก็ไม่เห็นอา้าวทำไมคุณมาใช้อย่างนี้เขาก็ต้องเอาทวงคืนไปแน่นอนของในความฝันต้องฝัง ของยิมก็มานะเราเพื่อมาพิจารณาอย่างเงนนี้ยเพื่อไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปลุ่มหลงในกรรมกุณนะคือถ้าเราลุ่มหลงในสิ่งข้างนอกเนี่ยนะเงินก็ตามยศชื่อเสียงความเป็นใหญ่นะถ้าเราลุ่มหลงเราชื่อว่าถูกกรรมเคี้ยวกินอยู่ถ้าเราถูกกรรมเคี้ยวกินอยู่เมื่ อ, อไหร่นะคุณชื่อว่าถูกมานกรรมหัวใจของคุณอยู่ถูกมานกรรมหัวใจของคุณอยู่เมื่ อ, อไหร่คุณจะเป็นทาสของมานคุณเป็นทาสของมานอยู่เมื่ อ, อไหร่ คุณไม่มีทางพ้นจากอำนาจของมารได้คุณจะไม่มีทางไปนิพพานได้ละมารเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้คุณได้ดีหรอกจะบอกให้มีแต่จะทําให้เราตกต่ํามันเอาอะไรมาล่อนะเอาชื่อเสียงมาล่อเอาเงินมาล่อเอาความสําเร็จมาล่อเอาเกียรติยศมาล่อล่อเพื่ออะไรให้เราติดกับของมันเหมือนกับเยือ่อดักหนูกลงหนูกาวดักหนูเอามาล่อเนะี่ยเพื่ออะไรกําจัดเราออกไปกําจัดเราออกไป กำจัดหนูออกไปนั่นแหละถ้าเราได้หนูบางตัวฉลาดท่านฟังนะเอาของข้างไหนไปกินได้โดยที่ไม่เข้าไปในกับดักก็มนะีเราจะเสพกรรมคุณได้โดยที่ไม่มีกรรมก็สามารถทําไดนะ้เราต้องอยู่ในมัดเราต้องอยู่ตามทางเนะดินให้ดีเดินให้ถูกทางท่างฝั ง, งเราจะเดินให้ดีเดินให้ถูกทางไม่เป๋นเนี่ยคุณต้องมีสตินะกรรมนี่ก็เป็นอันตรายตรงที่ว่านอกจากถ้าเราไม่ได้ว่า เราเสพการอย่างเราเสพกรารคุณทั้ง5้าอย่างดีบางทีเนี่ยนะไม่ได้รุ่มหลงไม่ได้หมัวเหมามีคนอื่นมาแย่งนะจะเป็นอันตรายกับเราเราก็สามารถปล่อยสละได้ทันทีในยงมทีเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีทําำในนั้นในนี้ให้เกิดขึ้นเราก็ปล่อยได้ทันทีนะเราก็มีความสบายใจโดยความที่ไม่ต้องมีกรารมคุณก็ได้คือไม่มีกรรมคุณเนี่ยอาจจะมีกรารมก็ได้นะอย่างที่เราพูดไปว่าคนที่เขาไม่มีเขาก็อยากมีก็มีนะแต่ถ้าไม่มีกรรมคุณแล้วนะแต่ถ้าไม่มีกรารมแล้วเนี่ย เราจะมีหรือไม่มีกามะคุณมั่นสบายตรงนี้นะแต่ถ้าเรามีกามแล้วเนี่ยคุณจะมีกามคุณหรือคุณจะไม่มีกามคุณคุณก็ไม่สบายทำไมทีนะถ้าคุณมีกิเลสกรรมอยู่ในภายในนะถ้าคุณมีกิเลสกรรมอยู่ในภายในคุณจะมีวัตถุกรรมหรือคุณจะไม่มีวัตถุกรรมมันไม่มีทางสบายใจได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสกรรมอยู่ภายในใจถ้าเราไม่มีกิเลสการมอยู่ภายในใจ เราจะมีวัตถุกรรมหรือจะไม่มีวัตถุกรรมเราก็สบายใจอยู่ได้นี่แหละคือประเด็นด้านฝังเราจะทํายังไงไม่ให้หัวใจของเราเนี่ยถูกกรรมถูกกุมครอบงําอยู่ด้วยมารได้เราต้องมีสติจำฝังให้เห็นโทษของกรรมกรรมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นเครื่องของเป็นเปลือกตมเป็นคันนะเป็นสิ่งที่คลัวเนี่ว่าเป็นทุกข์นะเป็นเหมือนกับของยืมเข้ามาเป็นชิ้นกระดูก เป็นชิ้นเนื้อเปียบด้วยหลุมทานเพลิงเป็นของในความฝันเปียบด้วยผลไม้เปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเป็นห อ, อกเหลาไม่มีอะไรดีเลยท่านฟังในกามนี้มีแต่จะทําให้เราฉุดลงสู่ที่ต่ําโดยแท้เราจะไปเหรอที่ต่ําๆอ่ะเราจะไปเหรอนรกอ่ะไ ป, ไปทําไมอ่ะมันไม่ได้ที่ที่มันจะดีขึ้นมาได้เลยท่านฟังเราต้องวางอย่าให้ใจของเรามีกามให้ใจของเราสบายแล้วคุณจะมีกามมาคุณคุณจะมีวัตถุกามหรือจะไม่มีวัตถุกามก็ได้ ถ้าภัยมันอยู่ใกล้ตัวเราต้องรีบปล่อยรีบวางรีบละให้ใจของเราสบายใจของเราเนี่ยมันเกิดดับนะมันไปเรื่อยๆนะกายนี้มันแค่นี้เท่านั้นเองนะการเหมือนของด้วยความฝันชีวิตเราตอนนี้น้อยมากนะแค่ประมาณร้อยปีไม่เกินนะมันเหมือนแป๊บเดียวมหาสมุทรที่เขาว่ากว้างใหญ่อย่างที่ใบโลกใบนี้จริงๆมันแค่บ่อเล็กๆใบหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอยู่ในสังสารวัตรนะเราต้องไปอีกไกลเราต้องพัฒนาจิตของเราไปอีกมาก อย่าให้เรามาจมปลัติดอยู่ในบวงเล็กๆตรงนี้นะให้เราเห็นคุณในความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องมีกรามมีอยู่ทั้งฟังนะไม่ใช่ว่าการมเนี่ยเป็นทางออกทางเดียวมันมีทางออกทางอื่นที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องมีการมคุณทั้งห้าคือคุณจะมีกรมคุณทั้งห้าหรือคุณจะไม่มีการมคุณทั้งห้าก็ได้แต่คุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีการมอยู่ในใจ มีกามอยู่ในใจไม่มีทางมีความสุขไม่มีทางอิ่มได้ด้วยกามไม่มีทางที่จะดับกระหายได้ด้วยกามกินน้ําเกลือมันหายหิวน้ํำไหมละ่ะมีแต่กินมากเข้าไปก็ยิ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่มันเป็นน้ําเหมือนกันนะก็ยาพิษกินแล้วมันหายหิวไหมละ่ะแต่มันต้องกินน้ําสะอาดจิบสองจิบมันก็ยังดีขึ้นมาได้เดินทางไกลต่อได้เพราะฉะนั้นเราทําใจของเราให้ถูกต้องน่านฟังอย่าให้หลงในกาม ให้เห็นความสุขที่ไม่ต้องเกิดจากการมีอยู่ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมีอยู่ความสุขที่เป็นภายในมีอยู่เราหลับตาสิเราจะเห็นนะ่ะคือบางทีลืมตาก็เห็นได้เหมือนกันนะ่ะแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาใจเห็นด้วยตาธรรมะมันจะเห็นได้ยังไงอ่ะก็ต้องมีสติถึงจะเห็นได้นะเรามีสติคอยสอดส่องดูความในใจของเราพยายามที่จะละวางฝึกปล่อยละฝึกปล่อยวาง ให้ใจของเรานั้นมีสติสูงขึ้นมาเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในได้พอเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในแล้วไอ้สิ่งที่เป็นกามที่จะมายั่วยวนล่อลวงเราเนี่ยเราจะปลอดภัยจากสิ่งนั้นได้เราปลอดภัยแล้วเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารด้ง้งฝังนะมารจะทำอะไรเราไม่ได้เป็นผู้ที่มารอันมีบาปจะทำอะไรไม่ได้พระเจ้าวาง่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามารู้ธรรมะฟังให้ดีนะพยายามปล่อยละวางมีไม่มีก็ไม่เป็นไร น่าให้ใจเราสบายใดี๋วันนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญนะพี่ปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซขอลาไปก่อนถ้าพูดเดินไปก็ขอโทษด้วยนะก็ถ้าฟังย้อนหลังได้ก็ไปฟังแล้วกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริมบอน